เจ็ดวิหาร ก, การสิขาว่าด้วยการสร้างวิหารเรื่องพระช น, นะ 365. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นเศรษฐีผู้อุปถากท่านพระช น, นะบอกท่านพระช น, นะว่าท่านผู้เจริญ ท่านโปรดตรวจ ด, ดูสถานที่สร้างวิหารข้าพเจ้าจักให้สร้างวิหารถวายต่อมาท่านพระช น, นะให้แผ้วถางสถานที่สร้างวิหารใช้คนตัดต้นไม้รุกขเจดีต้นหนึ่งที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทชาวแวนแ่นแคว้นคารบบูชาพวกชาวบ้านจึงตำหนิประนามโหนธนาว่า พระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรจึงใช้คนตัดต้นไม้รุกขเจดีที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นคารพ บ, บูชาเล่าพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรเบียดเบียนต้นไม้ซึ่งมีอินทรีเดียวภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามโผลนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพาคันตนําหนิประนามโผนธนาว่า ท่านพระช น, นะจึงใช้คนตัดต้นไม้รุกข์เจดีที่ชาวบ้านชาวแวนแ่นแควนเคารพ บ, บูชาเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระช น, นะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ